ลงไปกรุงเทพเที่ยวนี้ก็ได้ไปช่วยงานธรรมยาตราจินความสวรรค์นี้คำว่าธรรมยาตรานี้ก็ใช้กันทั่วไปวัตถุประสงค์ก็หลากหลายแม้กระทั่งธรรมกายก็ ใช้กับว่าธรรมญาติรานะกับกิจกรรมของตัวแต่รูปแบบก็แตกต่างกันไปธรรมญาติราทีวนครสวรรค์นี่ก็จัดมาหลายปีแล้ว <5. S 1> ถ้าหกปีแล้วมึงจัดแค่สามวันเดินจริงจริงก็ไม่กี่กิโลนะสองสามกิโลจากอุทยาน สวรรค์ก็คือสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่จัดงานก็เดินไปที่แม่น้ำเจ้าพิยาก็ภาวนาที่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินกลับตอนเช้าก็มีเดินรอบสวนสาธารณะตีห้าตีห้าครึ่ง ประมาณชั่วโมงหสามสี่กิโลแล้วก็จัดกิจกรรมบรรยายมีดนตรีไปทั้งวันมีบูธเต้นแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่มีประโยชน์การนวดศิลปะพื้นบ้าน การเพ้นผ้าการปักลายผ้าเลยสารพัดคนที่รายการที่คนมาเยอะหน่อยก็คือตอนที่มีการอภิปรายบรรยายไม่มีช่วงหนึ่งก็ขึ้นเวทีกับอาจารย์ประมวลเพ่นจันอาจารย์ก็เล่าถึง ย้อนไปถึงเหตุการณ์ช่วงที่เดินจากเชียงใหม่ไปสมุนสมุยเมื่อสิบปีที่แล้วเราตำได้ว่าเดินครั้งนั้นนี่ใช้วเวลาเกือบสองเดือนแล้วก็เป็นการเดินที่ยากลำบากกว่าการทุดดงของพระเยอะเพราะว่า จะประมวลเดินโดยที่ไม่มีเงินติดตัวเลยตั้งเจ้าจะไม่พกเงินไปแล้วก็จะไม่ขออาหารใครจนกว่อจะมีคนมาให้เองแล้วก็จะไม่ไปจะไม่เดินไปแวะเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก ก็เรียกว่าเป็นการเดินที่เอาตัวไปอยู่กับความไม่แน่นอนเป็นการฝากปากท้องไว้กับผู้คนแปลกหน้าอย่างแท้จริงเราก็บางช่วงก็ไม่มีอาหารกินนะไม่ได้กินข้ามาสองวันสามวันไม่มีข้าวตกตึงท้องเลยเพราะว่า ไม่มีคนไม่มีคนให้เดินแบบนี้ก็เรียกว่าเสียงมากถ้าถ้าเดินทุดตงแบบพระนี่ก็ยังมั่นใจว่ามีคนจะถวายอาหารให้ถ้าเดินในยานชุมชนเพเพอสองมื้อด้วยเช้าเพงเผอเพถวายเงินอีกแล้วก็ ถวายอย่างอื่นตัวนขนไม่ไหวเนียเช่นน้ำผลไม้น้ำผลไม้กระป๋องเนี่ยกล่องเนีย่ยจะเดินอย่างคารวาว่าอย่างอาจารย์ประมวลนี่เดินลำบากแล้วก็ไปพักตามที่ต่างๆด้ยเพราะตามวัดบางทีก็ไม่ได้ราการต้อนรับเพราะ มองว่าเป็นคนจระจัดมีครานนึนก็เดินไปที่ประตูประจวบนะก็มันก็เย็นแล้วนั่นก็ไปกราบเจ้าว่าเจ้าว่าเขาคงอยู่ตรงแถวลานวัดพอดีขอพักที่ไหนก็ได้เพราะว่าเจ้าว่านี่ ปฏิเสธไม่ต้อนรับบอกที่นี่ไม่ต้อนรับคนจราจักอันนี้มันเป็นเปน็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าผิดวิสัยของวัดในวัดตามประเพณีนะเพราะวัดตามประเพณีนี่วัดเป็นที่ที่เป็นที่พักคนเดินทางก็ว่าได้ ก็เป็นสถานสงเคราะห์กลยากไรแม้กระทั่งหมานี่ก็ยังไม่อดตายนะครับท่ามาอยู่วัดแต่ว่ากลับถูกนะปฏิเสธนะนะทำนองขับไล่สส่งด้วยซ้ำอาจรย์ูรเนี่บอกว่าพอเจอคำนี้แทนที่จะเสียใจหรือโกรธนะ รเรียกว่าซาบซึ้งจนน้ำตาไหลมันก็แปลกนะเวลาคนถูกขับไล่ถูกปฏิเสธเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโกรธเป็นทุกข์รู้สึก yeah, แย่เสียเซลอาจารย์ประเวณีกับรู้สึกตรงข้าม คืออาจารย์คงเลาวันนั้นก็หัวระลึกนะถึงว่าสมัยตัวเองเป็นอาจารย์อาจารย์เชียงใหม่เป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นอาจารย์สอนพระสอนพระนิสิต ท, ที่หมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งก็พระทั้งหลายก็เรียกว่านักถือเป็นอาจารย์พระบางรูปก็เผลอว่าอาจารย์ประมวลได้ซ้ํา แต่ว่ามาตอนนี้นี่กับถูกปฏิเสธผักใสเหมือนกับคนพอถูกดูแคลนว่าเป็นคนจร จ, จัดรอนจารย์ประวงก็ไม่ได้พูดฉัดว่านะว่าทำไมถึงทราบซึ้องจอนน้ำตาไหลแต่การที่พูดเปรียบเทียบกับสถานะสองแบบนี้ก็ ทำให้พอจานุมานได้ว่าคงทราบซึ้งเห็นทราบซึ้งในธรรมะเห็นธรรมเห็นเห็นธรรมที่เรียกว่าโลกธกรรมก็คือได้เห็นทั้งว่าได้รับทั้งความชื่นชมสารเสริญแล้วก็ได้รัการยกย่องเชิดชู แล้ ว, วันดีคืนดีก็ถูกมองอย่างยามเยียดนะีตัวนี้แสดงทาไม่เห็นชัดเลยทราบซึ้งในธรรมนะไม่ได้ทราบซึ้งในคำของเจ้าว่าท่านนั้นแต่ก็เห็นธรรมนะจากคำกล่าวคำผักใสทั้งที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยถ้าโดนพูดแบบนี้เขาก็จะโกรธนะ รู้สึกเป็นทุกข์นะอันนี้เพราะว่าตามถูกกระทบนะตามถูกกระแท่แต่ว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เราเรามองมันในอีกมุมหนึ่งนะมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันทำให้เห็นธรรมโลกธรรมแปร อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นของขวัญล่าค่านะที่ไม่ใช่ว่าจะเห็นหรือเข้าใจกันได้ไ ง, งา่ายง่ายาหมวก็เลยทราบซึ้งแต่ก็ไม่ได้เราต่อต่อหลงว่าคืนนั้นไป น, นอนไหนก็คงมีที่นอนจนได้นะเพราะว่าตามายทางก็มี วัดอยู่หลายวัดแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเรีวยกว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ก็จำนวนมากทีเดียวนะก็นเนื่อแล้วการต้อนรับจากที่วัดดีเท่าที่ควรก็คือส่วนใหญ่ก็ให้หลายวัดก็ให้ไปพักนอนตามเพิงบางที่ให้ไปพักตามเมน เมนบางแห่งนี่ก็ก็เป็นที่นอนของหมาก็นองไปนอนกับหมาหรือไม่ก็แย่งที่หมานอนบางทีหมาเล่าบางวันนี้หมามันมันกัดกันเเป็นฤดูดติดสัตว์หมาก็มาเบียดแยมาก็แทกแกนนอนไม่หลับ แต่ว่าในหลายครั้งก็กลับได้รับการดูแลอย่างดีนะจากคารววาจากคนชาวบ้านทั่วไปถึงแม้บางรายนี่ก็จะตั้งท่ารังเกียตก่อนเพราะเห็นอาจารย์ประมวลมอมแมมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อดาบน้ำหรือว่ามีเสื้อแค่ตัวสองตัว เ, เดินตากแดดก็คงต้องโทมแหละ เนีย่ยพวกเราเดินทำพยาีตานี่เดินแค่เจ็ดแปดวันก็ยังต้องเหง่อยังมอมแแมมแต่ถึงแล้ ว, ว่าจะถูกมองมองในลณะของว่าเป็นคนจอนจัดนะแต่ตอนหลังก็จะรับการเอื้อเฟื้อดีเอาอาหารมาให้ าจารประมวเคยเล่าเคยได้รับการดูแลอย่างดีนับจากผัวเมียซึ่งเป็นคนเก็บขยะนะคนเก็บขยะก็พูดกับจากประมวลดี้พูดจาไพเราะด้วยนะคือพูดจาสุภาพก็ทำให้เห็นนะว่าคนบางคนนี่นะมีฐานะดี การศึกษาก็น่าจะดีด้วยนะแต่ว่าพูดจาไม่สุภาพเลยนะจากคนที่ยากไร้กับพูดจาดีกับอาจารย์ประมวลอาจเป็นเพราะว่ามองว่าเป็นคนหรือว่ามองว่าเป็นพวกเดียวกันก็ได้การปฏิบัติดีด้วยเนี่ยแต่เป็นเพราะว่ามองว่าเป็นพวกเดียวกัน แต่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจความทุกข์เพราะว่ามีประสบการณ์คล้ายกันก็เลยเข้าใจในความทุกข์บางคนก็อาจจะเคยอดเคยไม่ได้กินอาหารเคยหิวโหยไปแล้วมาเจอคนคล้ายจระจัดอย่างใจประมวลก็เลยเห็นใจก็หาอาหารมาให้ซื้ออาหารมาให้ แบบนี้ก็ก็มีที่จริงคนเราเนี่ยถ้าหากมักส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราก็มักจะเอื้อเฟื้อกันถ้าว่าเขา้าเข้าใจกันหรือไม่ก็เพราะว่ารู้สึกเป็นพวกเดียวกันอันนี้ที่จริงมันก็เป็นกับทุกทุกแห่งนะแต่ว่า คนไทยจะเด่นหน่อยนะความรู้สึกว่าความคิดว่าจะดีด้วยก็ตามว่าเป็นพวดเดียวกันรู้จักกันถ้าไม่ใช่คนละพวกหรือเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันนี่ก็บางทีก็ร้ายก็มีนะอย่างมีฝรั่งเนี่ยเคยเขาเคยพูดว่าเขาเขียนไปลงในเฟ e b o ๊ k ว่าเพื่อนคนไทยที่เขารู้จักเนี่ย โดยแล้วแต่เป็นคนดีทั้งนั้นคนเอื้อเฟื้อมีน้ำใจแต่เขาแปลกใจมากในเวลาเพื่อนคนไทยนั่งรถขับรถเนี่ยจะเหมือนกับเป็นคนละคนเลยเมือนกับเป็นคนละคนคือไม่มีน้ำใจหงุดหงิดง่ายบางทีคนเขาเจะเลี้ยวก็ เ, เปิดสัญญาไฟเลี้ยว ก็ไปปิดทางไม่ให้เขาเลี้ยวยหรือบางทีเขาจะก็จะแซงก็กันไม่ให้เขาแซงทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้หีบอะไรถนนก็ว่ายังไปกั น, นแล้วอีกแล้วยิ่งถ้าโดนคนปาดขับรถปาดนี่เราจะโกรธนะ กดแต ร, แรบ้างอะไรบ้างคือเขาก็แปลกใจทำไมเวลาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยดีสุภาพแต่พอขึ้นรถนี่ขับรถนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนไม่มีมารยาทไม่มีน้ำใจดุ ด, ดันก้าวร้าวกับรถคันอื่นๆอันนี้ก็พอจะอธิบายได้ได้ว่าเนี่ยที่คนไทยดีกับฝรัง่งก็เพราะว่าเป็นเพื่อนไง รู้จักกันแล้วก็ดีกันมีน้ำใจแต่เวลาขับรถเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครใ้รถที่อยู่บนถนนเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างๆางไม่รู้ใครเป็นใครเป็นคนแปลกหน้ า, านแปลกหน้าวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าต้องมีน้ำใจด้วยหรือไม่มีไม่ทำความเกลียใจ ไม่รู้จักกันเนี่ยจะดีกันไปทำไมอันนี้คนไทยเป็นอย่างนี้เยอะถ้ารู้จักกันนี่เวลาเข้าคิวก็เออเฟือถ้อยดีถ้าอาศัยแต่ถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยเวลาเข้าคิวบางทีก็รัดคิวกันหน้าดูเวลาหรือแม้ก็ะทั่งเวลาขึ้นรถเมยนี่ว่าแย่งกันหน้าดูไม่มีสนใจคิวอะไรกัน แต่ถ้ารู้จักกันเนี่ย่อยถ้อยทีทาอาศัยกันมากอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ขับรถเวลาขับรถแล้วก็ไม่มีนั่งใจไม่รู้จักถ้อยทีทาอาศัยมาถึงถึงขั้นดุ ด, ดันหยาบคายเนี่ยเพราะว่าอ่งเหตุผลหนึงก็คือคนอื่นไม่รู้จักเราเนี่ย เขไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเราอยู่ในรถนะบางทีรถนี่ก็มีเคลือบฟิล์มด้วยเพราะนั่นจะทําตัวหยาบคายไงก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเร า, มาไม่เหมือนกับเวลาอยู่กับเพื่อนนหรือว่าเวลาอยู่กับคนที่เห็นหน้าเห็นตากันนะเขารู้ว่าเราเป็นใคร เป็นพนักงานที่ไหนทำงานที่ไหนลูกเต้าหลอกกอเป็นใครเราจะทำอะไรที่เป็นความไม่สุภาพไร้มารยาทก็ไม่กล้าเพราะเขารู้ว่าเราเป็นใครเดี๋ยวเขาก็อาจจะตอบโต้ต่อว่าหรือว่าเล่นงานเราได้ถนัด แต่ว่าเราอยู่ในรถนี่นอกจากเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นใครนอกจากรถซื้อคนอื่นเป็คนแปลกหน้าแล้วคนอื่นก็ก็ไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครวันนั้นเนี่ยเราจะทำกิรยาาิารยามารยาทยังไงก็ได้ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอลูกหลงหรือว่าเจอแรงกระทบเขาจะมาดา่าเราก็อยมาก็กดแต่ดา่าทำอะไรไม่ได้มากกว่า น, นั้น คิดแบบนั้นแล้วก็เลยไม่ต้องไม่ต้องยับยั้งชั่งใจอะไรแล้วไม่พอใจอะไรก็กดแตรหรือว่าปาดหน้าให้คนเราเวลาเจอกันตอนหน้าตาเนี่ยไม่พอใจยังไงก็ต้องเก็บต้องห้ามต้องสะกดใจสะกดอารมณ์เอาไว้ยิ่งกับเพื่อแล้วนี่้อยิงต้องสะกดเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอแรงกระทบ หรือว่าเจอการตอบโต้เดี๋ยวก็จะมีผลต่อ ง, งานการมีผลต่อชื่อเสียงก็เลยต้องยับยังชั่งใจไม่พอใจก็ต้องหาทางพูดให้มันให้มันดีหน่อยแต่ว่าไม่เหมือนกับเวลาขับรถนี่ไม่พอใจแล้วก็ง่ายมากแสดงความไม่พอใจทันทีกดแตร บางทีก็จะด่าพ่อร้อนแม่แล้วก็รีบไปไม่มีใครรู้อย่างมากก็เห็นแค่ทะเบียนรถแต่ก็ไม่รู้ใครขับไอ้แบบนี้นี่ถ้าเป็นสังคมอย่างตัวโตนี่มันมีน้อยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องของมารยาทหรือเรื่องของความถูกต้องคือแม้ คนขับรถจะเราจะไม่รู้จักไม่หรือเป็นคนแปลกหน้าแต่ก็ต้องมีมารยาทหรือว่าถ้าพูดอย่างอย่างแบบเพื่คือต้องมีสิริคือความละอายถือว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าถ้าเราทำผิดมันก็ต้องละอายรู้สึกละอายฝรั่งนีนมีตรงนี้เยอะความละอาย อริอตตะ ป, ปะคือละอายบาก็ากลัวบาคนไทยนี่หนักไปทางกลัวบากลัวคือว่ากลัวว่ากลัวได้รับผลกระทบกลัวได้รับผลกระทบหรือว่าเรามีความซู้สึกเรื่องหน้ามาเรื่องหน้าตาเสียหน้าแล้วคนเราเรากลัวเสียหน้ามากกว่าเวลาทําผิดอะไร ถ้ามีคนรู้นี่จะเสียหน้าแต่ถ้าไม่มีคนรู้ก็จะทําจะไม่ทําก็ต่อเมื่อมีคนรู้นะเพราะว่าเสียหน้าแต่ความละอายบาปเนี่ยมันหมายความว่าถึงแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ก็ยังละอายละอายใจตัวเองแล้วคนที่เราการศึกษามาดีเนี่ ย, ย, ยก็จะมีตรงนี้เยอะญี่ปุ่นก็มีเยอะมากนะความละอาย วัานั้นเนี่ยกับคนแปลกหน้าเขาก็ล้วก็พยายามสุภาพด้วยหรือว่าถึงแม้ไม่มีคนเห็นนะเขาก็ก็ยังทำตัวเสมอ ต, ต้นเสมอปลายคนไทยเรานี่จะมีความแตกต่างกันมากระหว่างการทำและมีคนเห็นกับการทำโดยที่ไม่มีคนเห็น หรือว่าการทำกับคนที่รู้จักการปฏิบัติตัวกับคนที่เมื่ออยู่ท่ามกลางคนรู้จักกับการปฏิบัติตัวโดยที่อยู่ท่ามกลางคนไม่รู้จัก <Okay. S 1> คนไทยเราจะมีความแตกต่างกันนะมากทีเดียวอันนี้เพราะว่ามันขาดคาว่าฮิรินะความละอายหรือส่วนนึงก็เพราะว่าพอ พออยู่กับเพื่อนหรือทำกลางเพื่อนก็จะมีความเกลียดใจนะกลัวเสียชื่อเสียชื่อนี่จริงๆมันก็เป็นเรื่องหน้าตานะจะมีความเกลงยใจมีความเอื้อเฟือ้อแต่พออยู่ท่ามกลางคนแปลงหน้าไม่มีความเกลงใจแล้ ว, ลวจะทำยังไงก็ได้ ยิ่งเขาไม่รู้เราเป็นใครนี่ ย, ยิ่งเต็มที่ย อ, อันนี้เห็นได้ง่ายจากเ c e b o o k เนี่ยยิ่งถ้าเป็น a ฟ e b o o k ของคนที่ใช้นามแฝงเนี่ ย, ยจะใส่เข้าไปเต็มที่เลยเหตุผลก็คือคนอื่นไม่รู้ว่ากูเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าใช้ชื่อจริงมอแล้วก็จะก็จะรู้สึกเออระมัดระวังเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องเปลี่ยน ที่อย่งคนไทยสมัยก่อนก็ไม่เป็นขนาดนี้นะถือว่าคนแปลกหน้าเขาก็มีความเ อ, อื้อเฟื้ออย่างพ่อของแม่พ่อแม่ของหลวงพ่อปรรยาท่านเล่าเวลามีคนแปลกหน้ามามาพักเนี่ยสมัยก่อนบางทีก็ไม่มีพักวัดก็ไม่สะดวกก็มาพักบ้านก็ต้องหาบ้านอยู่ พอแม่ฉันก็ต้อนรับขับสูดีฉันตอนรับขับสูดไม่รู้เป็นใครก็ต้อนรับตําข้าวหุงข้าวให้สมัยก่อนก็ต้องตําข้าวมันเมื่อจะเมื่อจะเมือม่อจะหุงนะไม่ใช่ว่าตําก็ร่วงหน้ากลางกลางคืนนี่กินข้าวเสร็จเขาก็ไม่ตำแล้วถ้าจะกินข้าวต้องตํา เพราะไม่มีข้าวที่ข้าวเหลืออยากกินข้าวต้องตํากันตอนนั้นตําแล้วก็ค่อยมามาขุงเงินเรือตํ า, ตาวันต่อวัน ก, ก็ทำเต็มที่นคนแปลกหน้าจนบางทีลูกก็สงสัยว่าไม่กลัวโจรมาปนนมล้นหรือเ่ อันนี้เคยมีครอบครัวทางใต้เหมือนกันนะพ่อแม่ก็แบบนี้แหละลูกนี่ถามแม่เนี้ยไม่กลัวเขาป่นเลยแม่ก็บอกว่าเราก็จะป่นเราได้ยังไงเราให้ข้าวให้น้ำเขาไม่ป่นหรอกซึ่งก็จริงนะคนไทสมัยก่อนนอกจากเออพคนแปลกหน้าแล้วแม่แต่โจมัก็มีความรู้สึกบุญคุณสำนึก บ, บุญคุณกินข้าวกินน้ำบ้านค่าก็ไม่ป่น เด๋ยนนี้คุณทราแบบนีน้มันหายหมดแล้วทั้งสองฝ่ายนะคนก็เลยระแวงที่จริงวัดเนี่ยก็มีโจรมาป้นมาขโมยเยอะนะขากลับไปขากลับกรุงเทพก็แวะที่เมืองอุ ท, ทยัยก็แวะวัดโบดนะวัดโบดนี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อวัดเล็กๆแต่โบทสวย ข้างในก็มีจิกิจกรรมฟาผนังก็ไปเจอชาวบ้านนึ่งแกเป็นมะกคุเทศพูดครองมาพาไปที่วิหารแล้วก็ชี้ให้ดูนะพระพุทธรูปเก่าเก่านี่หลายคนยกไม่หลายคนยกนะพรากว่ามันมีคนขโมยไปได้คนขโมยไปเฉยเลยนะแต่ว่าเอากลับคืนมาได้ คนที่ขโมยส่วนนึ้งก็แต่ก่อนก็เป็นพวกที่ทำตัวเป็นคนจรนจัดหรือเป็นคนที่มาพักวัดนะพอพักวัดเสร็จวัดเพอก็เอาไปอย่างวัาทอนทบคุณนี่พวกพวกระทูลุกเอยตู้ตู้พระไตวโดกเอยถูกขโมยบ่อยครั้งมากก็จากคนที่มาพักวัด เพราะนั้นก็ทำให้วัดจำนวนมากก็ไม่ค่อยอยากต้อนรับคนที่จะมาครั้งแรมโดยเพพาะที่พวกคนจรนหมอนมีนไม่รู้จักแต่จริงมันก็เป็นการมองแบบรวมเหมาวรวมเกินไปเนะื่ดยวยเพราะวัดต่างจังหวัดระวังไว้ดีแต่แต่ไม่ควรเราแวงเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงก็มี เข้ามาแล้วได้รับการปฏิเสธได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดนะีทางวัดมันก็ทำให้รู้สึกแย่ทำให้สูญเสียศรัทธาในในวัดในพระแล้วก็ในอาจจะในมนุษย์ด้วยนะว่าทำไมมีความเอื้อเฟื้อกันนี่ต้องเปิดใจกว้างต้องคิดเผื่ อ, อไว้ อาชาเนียพุ่งกรน t h o นีากครับ